พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคใจโรคใจก็คือความไม่สบายใจความทุกข์ใจต่างๆเช่นความวิตกกังวลความหวงวยใยความเศร้า ความว้าวุ่นขุ่นมัวความวุ่นวายใจความหวาดกลัวต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นโรคใจเป็นความไม่สบายใจเป็นความทุกข์ใจที่ไม่มียาชนิดไหนในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาให้หายได้ หมอก็รักษาให้ไม่ได้โรงพยาบาลต่างๆก็รักษาให้ไม่ได้มีธรรมโอสถเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะรักษาความทุกข์ใจความไม่สบายใจต่างๆให้หายไปอย่างสิ้นเชิงหายไปอย่างถาวรได้ การที่เราจะเอาธรรมโอสถ์เข้ามารักษาใจก็เป็นเหมือนกับการที่เราจะเอายามารักษาโรคภัยของร่างกายยาจะวิเศษขนาดไหนถ้าเราไม่รับประทานยาโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายไป ธรรมโอสถ์ของพระพุทธเจ้าที่มีความวิเศษที่สามารถรักษาความไม่สบายใจความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปได้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เอาธรรมโอสถ์เข้ามาสู่ใจเข้ามารักษาใจ ใจของเราก็ยังจะไม่หายจากความไม่สบายใจจากความทุกข์ใจต่างๆเราจะให้ธรรมโอโสถเข้ามานั้นเราก็ต้องเอาเข้ามาด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติ เหมือนกับยาที่เราจะรับประทานรักษาทางร่างกายเราก็ต้องศึกษาสรรพคุณของยาศึกษาวิธีรับประทานยาแล้วเราก็ต้องทำตามวิธีที่เขาแนะนำมาเช่นเวลาเราไปรับยาจากหมอหมอก็สั่งว่าให้รับประทานครั้งละกี่เม็ด วันละกี่ครั้งเป็นต้นถ้าเรารับมายามาจากหมอแล้วเราไม่รับประทานยาโายครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายไปฉันใดธรรมโอสถคือยารักษาโรคใจของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเรามาฟังเทศฟังธรรมนี้เท่ากับการมารับยา ของพระพุทธเจ้าเมื่อเรารับยาไปแล้วเราก็ต้องทำตามที่หมอสั่งว่าให้รับประทานวันละกี่ครั้งครั้งละกี่เม็ดเป็นต้นถ้าเราทำตามเราก็จะได้เอายาเข้าไปสู่ใจของเราเอาธรรมโอสถ ยารักษาโรคใจเข้าไปสู่ใจพอใจได้รับธรรมโอสถแล้วโรคของใจก็จะหายไปตามลำดับและหายไปหมดในที่สุดยานี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ค้นพบ ได้ได้ทดลองแล้วด้วยพระองค์เองจนไม่มีความสงสัยในประสิทธิภาพของยาว่าจะรักษาโรคของใจคือความไม่สบายใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้หรือไม่เพราะใจของพระองค์นั้นได้รับการรักษาด้วยธรรมโอสฐ จนไม่มีความทุกข์ใจหลงเหลืออยู่ในพระทัยของพระองค์พระองค์ก็เลยมีความมั่นใจและมีความปรารถนาดีที่จะแนะนำยาอันวิเศษนี้ให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์ต่างๆอยู่ ไม่มียาชนิดไหนในโลกนี้ไม่มีหมอชนิดใดไม่มีโรงพยาบาลที่ไหนจะสามารถรักษาโรคใจได้ต้องมีธรรมโอสถเท่านั้นที่จะรักษาโรคใจให้หายขาดได้ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะ กาจัดความไม่สบายใจต่างๆความจัดความวุ่นวายใจความวิตกกังวลห่วงใ ย, ยความว้าวุ่นขุ่นมัวความกลัวต่างๆเราก็ต้องมารับยาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวกหรือจากพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกก็คือที่รวบรวมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคําสอนก็ดีพระอริยสงสาวก็ดีเป็นผู้ที่สามารถมอบยาคือธรรมโอสถให้แก่พวกเราได้ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้า หรือไม่ได้พบกับพระอาลัยสงสาวกเราก็ต้องอาศัยพระไตรปิฎกอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้มาเป็นยารักษาโรคใจเราก็ต้องศึกษาคำสอนต่างๆที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ศึกษาพระสูตรสำคัญต่างๆเช่นธรรมจักรกับประวัตนาสูตรอนาตลักษณะสูตรสติปัฏฐานสูตรมงคลสูตรเป็นต้นพระสูตรสำคัญมีอยู่สี่ห้าพระสูตรที่จะแสดงที่จะสอนที่จะแนะนำวิธีรักษาโรคใจ ไม่หายไปถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้กาก็จะดีก็ไม่ต้องศึกษาในพระไตรปิฎกแต่พระพุทธเจ้าก็ได้จากเราไปแล้วถ้าเราไม่อยากจะศึกษาจากพระไตรปิฎกเราก็ต้องหาพระอริยสงสาวกพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย ผู้ที่รู้วิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจมาเป็นผู้ให้ธรรมโอสถแก่พวกเรา<ม>นี่คือแหล่งของธรรมโอสถคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่มั่นใจในคำสอนของพระเราก็ต้อง ศึกษาคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกศึกษาไว้เพื่อเป็นมาตรฐานวัดคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้เพื่อเราจะได้มีความมั่นใจว่าคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆนั้นเป็นความสอนที่ถูกต้องเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโอ เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจัดไว้ชอบแล้วถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกเลยแล้วเราไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็อาจจะไม่รู้ว่าทัานสอนได้ถูกต้องแม่นยำหรือไม่แต่ถ้าเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกมาก่อน ศึกษาพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนไว้ก่อนแล้วไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็จะพอที่จะรู้ได้ว่าท่านสอนตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าการศึกษาเพื่อให้ได้รับคําสอนที่ถูกต้องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราไปปฏิบัติ โดยที่เราไม่ได้ศึกษาเลยนี่เราจะหลงทางได้เนข่าวที่เราได้ยินว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วเป็นบ้าเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ไม่ศึกษาปฏิบัติไปแบบผิดผิดถูกถูกก็เลยทำให้เป็นบ้าได้แต่ถ้าเราได้ศึกษา จากแหล่งที่ถูกต้องศึกษาคำสอนที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามรับรองได้ว่าเราจะไม่เป็นบ้าอย่างแน่นอนเราจะเป็นผู้ที่หายบ้าหายจากความทุกข์ต่างๆไม่ใช่เป็นบ้าเพิ่มมากขึ้นตอนนี้พวกเราก็ถือว่าเป็นบ้าในระดับหนึ่ง เพราะเรายัางสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราอยู่เรื่อยๆความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี้มันไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากความโง่ของพวกเรานั่นเองเกิดจากความบ้าของพวกเรานั่นเองไม่ได้เกิดจากอะไรถ้าเราได้รับธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเข้ามารักษาอย่างถูกต้องความบ้าความโง่ที่มีอยู่ในใจเรา ก็จะหายไปจะหมดไปจะไม่มีเพิ่มมากขึ้นถ้าความบ้าเพิ่มมากขึ้นก็แสดงว่าเรากำลังปฏิบัติไม่ถูกทางเราอาจจะไม่ได้ศึกษาเพียงพอหรือเราศึกษาจากแหล่งที่ไม่ถูกต้องก็เลยทำให้การปฏิบัติของเรานั้นทำให้เรา เพิ่มความไม่สบายเพิ่มความทุกข์ให้กับเรามากขึ้นได้นี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาโลกของความทุกข์ใจต่างๆเราจะต้องศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องก่อนอย่างที่เราสวดบท ว่าสวากขาโตภะกวตาธรมโมโอคำสอนของพระพุทธเจ้าสวากขาโตภะกวตาธรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงนเอาไปรักษาโรคใจให้หายขาดได้สวากขาโตภะกวตาธรมโมโก็มีอยู่ที่พระไตรปิลก หรืออยู่ที่พระพุทธเจ้าหรืออยู่ที่พระอาหารหันตสาวกแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่แล้วพระอาหารหันตสาวกเราก็ไม่มั่นใจว่าใครเป็นกันบ้างไม่เป็นกันบ้างเราก็เลยต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกกันเพราะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้าเรามีได้เรียนรู้จากคำ จากพา่อไต่เปโตกแล้วพอเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็พอที่จะรู้ได้ว่าท่านสอนถูกต้องหรือไม่ถ้าสอนไม่ถูกต้องเราก็จะได้ไม่ต้องไปศึกษาจากท่านไปศึกษาจากรูปอื่นถ้าไม่มีก็ต้องศึกษาจากพา่อไต่เปโตกการศึกษาจากพา่อไต่เปโตกก็ อาจจะทำให้ล่าช้าได้เพราะว่าไม่เวลาเรามีข้อสงสัยมีมีความไม่เข้าใจเราอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ความข้องใจเหล่านั้นได้ด้วยตนเองแต่ถ้าเราได้ไปศึกษากับพร ะ, พระปฏิบัติดีป ฏ, ปฏิบัติชอบพระอริยสง์ เวลาเราเกิดความไม่เข้าใจเราก็สามารถที่สอบถามได้และท่านก็จะสามารถช่วยแก้ความข้องใจต่างๆให้หมดไปได้ถ้าไม่มีเราก็ต้องทดลองเอาเองลองผิดลองถูกเอาเองแต่ก็จะไม่หลงทาง ถ้าเรายึดคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางของการปฏิบัติเพียงแต่ว่าบางจุดบางแห่งเราอาจจะไม่เข้าใจความหมายเราก็อาจจะต้องวิเคราะห์ดูทดลองดูว่าหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ก็หมายความว่าอย่างนั้นใช่ไหมก็ต้องลองดู การศึกษาจากหนังสือจากพระไตรปิฎกมันก็อาจจะทำให้เชื่องช้าได้ไม่รวดเร็วเหมือนกับการที่ได้ศึกษากับผู้รู้โดยตรงอย่างหลวงตา ม, มหาบัวท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นท่านเวลามีข้อสงสัยอันใดท่านก็ไปกราบถามเลย ท่านก็จะได้คำตอบมาอย่างรวดเร็วเวลาที่ท่านติดขัดอยู่ในธรรมระดับไหนของตาหลงปู่มั่นท่านรู้ท่านเห็นท่านก็จะเตือนทันทีช่วงที่ท่านอยู่ในการในระดับของสมาธิท่านก็ติดอยู่กับสมาธิหลวงปู่มั่นท่านก็เตือนพอเตือนแล้วหลงตาท่านก็ไม่ติด ล้วพอท่านมาติดกับความคิดปรุงแต่งติดกับความพิจารณาทมต่างๆจนทำให้เกิดอาการฟุ้งซ่านนอนไม่หลับท่านก็เตือนว่ากำลังติดสังขารความคิดปรุงแต่งทั้งๆที่ท่านอาจารย์หลวงตาท่านคิดว่าท่านกำลังพิจารณาทางปัญญาแต่พิจารณาแบบเลยเถิดไม่มีการพัก ไม่มีการหยุดพักพิจารณาจนนอนไม่หลับเนีอย่างนี้เรียกว่าอาการฟุ้งร้านทางธรรมไม่ใช่อาการฟุ้งร้านทางกิเลสแบบในนิวรณห้าถ้าความฟุ้งร้านในนิวรณห้านี้มันเป็นความฟุ้งร้านทางกิเลสคือคิดไปทางกิเลสคิดวิตกกังวลห่วงใยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ จนไม่สามารถทำใจให้สงบได้อันนี้เราเรียกว่าความฟุ้งซ่านทางกิเลสสำหรับผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติผู้ที่ยังไม่มีสมาธินี้จะเจอความฟุ้งซ่านทางกิเลสมากคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้จนกระทั่งเวลานั่งสมาธิใจไม่สามารถสงบได้ อันนี้เรียกว่าความฟุ่งส่านทางกิเลสแต่ความฟุ่งส่านทางธรรมนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งมันพิจารณาแต่ทรรมแต่พิจารณาแบบไม่เข้าใจหรือไม่สามารถให้หาคำตอบได้ก็คิดอยู่นั่นพิจารณาอยู่ยนั้นไปอันนี้ก็ต้องใช้วิธีหยุดพักจิตก่อน จิตหมดกำลังสมาธิหมดกำลั ง, หลงเหมือนคนที่ทำงานทำทั้งวันทั้งคืนสติปัญญาจะทึบคิดไม่ออกต้องหยุดพักไปอไปรับประทานอาหารไปพักผ่อนหลับนอนก่อนพอตื่นขึ้นมาแล้วค่อยออกมาทำงานใหม่ความคิดฟุ้งซ่านทางปัญญาก็เหมือนกัน ถ้าพิจารณาจนเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ควรจะหยุดเข้าไปพักในสมาธิก่อนหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วค่อยมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหลวงตาจะได้รับการแนะนําจากหลวงปู่มั่นเพราะหลวงปู่มั่นท่านก็เคยมีประสบะการณ์ต่างๆเหล่านี้มาก่อนแต่ถ้าอ่านจากหนังสือพระไตรปิฎกนี้ จะไม่มีการอธิบายเรื่องปัญหาต่างๆเหล่านี้พระไตไปดฎกจะสอนวิธีการปฏิบัติต่างๆแต่จะไม่ได้สอนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอันนี้ต้องอยู่กับผู้ที่มีประสบะการณ์แล้วจะได้ประโยชน์มากหลวงตาท่านบอกว่า หลังจากที่หลวงปู่มั่นท่านาละสังขารไปแล้วตอนนั้นเจตของท่านยังไม่ได้ดูดพ้นยังติดอยู่ขั้นสุดท้ายอยู่แล้วท่านก็ได้ไปพบกับธรรมะที่ปรากฏขึ้นมาในใจที่บอกว่าที่จุดไหนที่เป็นจุดเป็นต่อมนั้น จุดนั้นคือที่ของพบของชาติท่านก็ไม่เข้าใจความหมายของธรรมนั่นที่ปรากฏขึ้นมาในใจท่านก็ไม่มีใครที่จะไปปรึกษาไปเล่าให้ฟังได้ว่าหลวงปู่มั่นท่านก็เสียชีวิตไปแล้วท่านก็เลยต้องใช้เวลาคบคิดพิจารณาอยู่เกือบสามเดือนนั่นบอกในที่สุดท่านก็ ได้คําตอบท่านบอกว่าถ้าท่านเอาคําถาม น, นี้ไปเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นี่ท่านบอกว่าท่านจะได้คําตอบทันทีเลยว่ามันคืออะไรแล้วจะต้องปฏิบัติกับมันอย่างไรนี่คือตัวอย่างของการมีครูบาอาจารย์ที่มีประสบะการณ์กับการศึกษาจากหนังสือธรรมะต่างๆ มันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าจะทำให้สําเร็จได้ช้าหรือเร็วกว่ากันแต่ไม่หลงทางทั้งสองทางนี้ทั้งสองเวททั้งสองแบบนี้เป็นแบบที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือนี้เวลามีคำถามหนังสือตอบไม่ได้ แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ผู้ที่มีประสบะการณ์ผู้ที่ได้ผ่านมาแล้วผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วนี่พอถามคำถามอะไหนท่านจะสามารถตอบให้ได้ทันทีจะทาให้เราไม่ต้องเสียเวลามาค้นคว้าด้วยตนเองนี่คือความสำคัญของการศึกษาเหมือนกับเรารับประทานยานี่ถ้าเรา ปวท้องไม่สบายแล้วเราไปค้นหายาในตู้มารับประทานแต่ยาในตู้บางทีเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้กินวันละกี่ครั้งแล้วก็ไม่ได้บอกว่ารักษาโรคชนิดไหนแต่อาจจะเอาอยาผิดชนิดไปกินก็ได้และรับประทานแบบไม่ถูกปริมาณก็ได้โรคแทนที่จะหายอาจจะกำเริบเพิ่มมากขึ้นไป แต่ถ้าไปหาหมอแล้วไปเล่าอาการของโรคให้หมอฟังหมอก็จะรู้ว่าเกิดจากเหตุชนิดไหนถึงแม้อาการจะเหมือนกันแต่เหตุอาจจะมาไม่เหมือนกันปวดท้องเหมือนกันแต่ปวดท้องมันก็มีหลายแบบปวดท้องแบบติดเชื้อก็มีแบบไม่ติดเชื้อก็มีถ้ากินยาไม่ถูกกับโรค โรคมันก็ไม่หายแต่ถ้าไปเล่าให้หมอฟังหมอเขาก็จะถามว่าปวดแบบไหนปวดอย่างไรมีอาการมีไข้หรือไม่มีไข้หมอจะสอบถามเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นโรคชนิดไหนกันแน่แล้วจะได้ให้ยาถูกชนิดแล้วจะได้บอกขนาดของยาว่าควรที่จะรับประทานมากน้อยเพียงไร นี่ก็คือความความแตกต่างนะระว่างไปหายามากินเองกับไปหาหมอเพื่อรับยามาจากหมอการปฏิบัติก็แบบเดียวกันการศึกษาจากหนังสืออันนี้ก็เป็นเหมือนกับการไปค้นหายาในตู้มารับประทานแต่การได้อยู่ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ ก็เหมือนกับได้ไปหาหมอเพรนั้นผลมันก็จะแตกต่างกันนีอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ผลมันจะได้มาเร็วขึ้นอย่างหลวงตาท่านก็บอกว่าขั้นสุดท้ายของท่านนี้ท่านก็ต้องแบกไว้ต้องสามเดือนปริศนาสามเดือนด้วยกันถึงจะแก้ไขปิิศนาทำได้ แต่ถ้าท่านเอาปิศนานี้ไปเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังท่านก็จะสามารถแก้ไขได้ทันทีไม่ต้องมาเสียเวลานี่คือวิธีที่เราจะเอาอยารักษาโรคใจเข้ามาสู่ใจของเราต้องเข้ามาด้วยวิธีศึกษาศึกษาแล้วเราก็ต้องเอามาปฏิบัติ การศึกษาก็ต้องศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าก่อนจะจากไปท่านก็บอกว่าตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคาสอนที่ได้มีการบันทึกกันเอาไว้ที่ได้มีการจดจำกันมาจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไป พวกเราชาวพุทธจะไม่ได้อยู่โดยปราศจากพระพุทธเจ้าถ้าเรามีพระธรรมคำสอนถ้าเราอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้าเราก็เข้าหาที่พระธรรมคาสอนนี้และนอกจากพระธรรมคำสอนแล้วก็ยังมีพระอาหารหันตสาวกที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบจนบรรลุ ถึงทำขั้นต่างๆสามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่นี่คือแหล่งของของความรู้ของธรรมโอสถที่เราจะเอามารักษาโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจให้หายไปหมดเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็น ครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาอย่าปฏิบัติโดยที่เราไม่ได้ศึกษาเพราะนี่คือวิธีที่จะทําให้เราเป็นบ้าได้ถ้าเราปฏิบัติโดยที่เราไม่รู้ว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเวลานั่งสมาธิเห็นอะไรปรากฏขึ้นมาก็จะเหมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะหลงเชื่อว่าตนเองได้บรรลุดด ทำขั้นนั้นทำขั้นนี้แล้วอันนี้ที่ทำให้คนเป็นบ้ากั น, น, นเพราะว่าไม่ได้ศึกษากันมาก่อนหรืออาจจะศึกษาแบบไม่ท่องแท้ศึกษาพอคร่าวๆแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วเวลาปฏิบัติก็อาจจะลืมคำสอนที่ได้ไปศึกษามานนก็เลยทำให้ เป็นบ้าไปได้เสียสติไปได้การศึกษานี้ก็ไม่ใช่เป็นการศึกษาครั้งเดียวการศึกษานี้ต้องเป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติการศึกษากับการปฏิบัตินี้เราไม่แยกออกจากกันเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ทางคณะสงน์นี้ท่านแยกออกไป เป็นคนต่อส่วนเลยปริยัตยิก็ปริยัตยิกันอย่างเดียวเศึกษากันอย่างเดียวศึกษานักธรรมตีโทเอกแล้วก็ไปศึกษาบาลีจนได้ปริยันต์เก้าแต่ไม่ได้ปฏิบัติเลยในช่วงที่ศึกษาพอศึกษาได้ปริยันต์เก้าแล้วก็เกิดความหลงขึ้นมาว่ารู้แล้วบรรลุแล้วไม่จาเป็นต้องไปปฏิบัติ ก็เลยไม่ได้ปฏิบัติกันส่วนใหญ่พวกที่ศึกษากันได้ไปรรียนสูงๆนี้ไม่ได้ไปปฏิบัติไปเป็นอาจารย์ต่อเลยไปสอนต่อเลยไปรับนางวันรับพัดยศได้ไปเป็น เ, เจ้าฟ้าเจ้าคุณสมเด็จเป็นสังฆราชกันต่อไปออนี่คือการศึกษาแบบไม่ถูกต้อง ความศึกษาที่ถูกต้องต้องศึกษาแบบในสมัยพุทธกาลศึกษาแล้วก็ปฏิบัติควบคู่กันไปพระสงฆ์ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระอาหารหันตสาวกเนี่ยท่านจะอยู่ร่วมกันในวัดแล้วท่านก็จะปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการศึกษากุูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกนี้จะ อบรมพระสององค์เจ้าอยู่เป็นประจำไม่ใช่ศึกษาไม่ใช่อบรมกันครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องศึกไม่ต้องอบรมแล้วให้ไปปฏิบัติอย่างเดียวเพราะว่าถ้าอบรมเพียงครั้งเดียวนี้มันยังไม่ครบบริบูรณ์และถึงแม้ว่าถ้าจะครบบริบูรณ์มันก็ลืมได้เพราะสิ่งที่ต้องรู้นี้มันมีมากมาย ทำที่ต้องรู้ทำที่ต้องเข้าใจแต่ละขั้นมันมีมากมายขั้นศีลก็มีมากมายที่ต้องรู้ต้องเข้าใจขั้นสมาธิก็เช่นเดียวกันขั้นปัญญาก็เช่นเดียวกันมันก็ต้องค่อยๆเรียนไปปฏิบัติไปขั้นต้นก็เรียนเรื่องศีลไปก่อนให้เข้าใจว่าศีลมีอะไรบ้างพระวินศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อ นอกจากศีลแล้วยังมีทุทุดงขวัดอีกสิบสามข้อศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติควบคู่กันเลยศึกษาทุดงขวัดเบนทบาตเป็นวัดเนี่ยก็บิณฑบาตก็ต้องบินทบาตกันทุกวันไม่ใช่ศึกษาแล้วไม่ไปบบนทบาดกันฉันในบาทก็ต้องฉันในบาทฉันมือเดียวก็ต้องฉันมือเดียว อยู่ป่าอยู่โคนไม้ก็ต้องไปอยู่ป่าอยู่โคนไม้คือต้องศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติเพราะไม่ฉะนั้นมันจะลืมศึกษาแล้วได้ยินได้ฟังแล้วพอไม่ไปเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวมันก็ลืมแต่ถ้านำเอาไปปฏิบัติแล้วมันจะติดเป็นนิสัยขึ้นมาเหมือนกับที่เราตอนที่เป็นเด็กๆอยู่กับพ่อแม่ พ่อแม่ก็สอนภาษาสอนให้เราพูดทำไมเราถึงพูดภาษาของพ่อแม่เพราะเราอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่พูดภาษานี้อยู่ทุกวันทุกวันถ้าเกิดถ้าเกิดพ่อแม่เราตายไปแล้วมีคนอื่นเขาเอาไปเลี้ยงเป็นคนต่างชาติก็เอาเราไปเลี้ยงเราก็จะไม่ได้พูดภาษาของพ่อแม่เราเพราะคนต่างชาติที่ก็เอาเราไปเลี้ยงเขาก็จะสอนภาษาของเขา กินอาหารของเขาแทนที่เราจะเป็นคนไทยเราก็กลับกลายเป็นคนฝรั่งไปก็มีเด็กไทยบางคนที่ฝรั่งเอาไปเลี้ยงพอโตขึ้นมานี่ไม่เหมือนเด็กไทยเเหมือนแต่หน้าตาแต่ภาษาการกินการอะไรนี่ไม่เหมือนกันเพราะอยู่ที่การเรียนรู้จากผู้ที่สั่งที่สอนเล การศึกษาครับการปฏิบัติที่ถูกต้องต้องเป็นแบบที่เราศึกษาปฏิบัติจากพ่อแม่ของเราเนี่ยพ่อแม่สอนให้เราทําอะไรเราก็ทำสอนให้เรากินอาหารชนิดไหนสอนให้เราพูดภาษาอย่างไรเราก็พูดไปทําไปพอพูดไปทําไปมันก็จําได้มันไม่ลืมเราลืมภาษาเราไหมตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราพูดภาษาเราได้อย่างคล่องแคล่วเพราะเราไม่ได้ พอเราใช้มันอยู่ทุกวันเอ่อเรียแล้วเราก็ปฏิบัติใช้มันแต่ถ้าเราศึกษาฟังเฉยๆแล้วไม่เอาไปใช้มันเดี๋ยวก็พูดไม่ได้ <c oughs> กินอาหารก็กินไม่เป็นทำอาหารก็ทําไม่เป็นแต่ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติไปควบคู่กันมันก็จะฝังเข้าไปในใจของเรามันจะไม่ลืมพวกที่ศึกษาปริยัตเนี่ยเรียนจบแล้วก็เลยไปละ นักทำตีเนี่ยพอเรียนไปแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านไปเวลาจะมีอะไรขึ้นมาก็ต้องไปเปิดค้นตำราดูอีกทีเพราะจำไม่ได้แต่ถ้าศึกษาไปปฏิบัติไปนี่มันจะฝังเข้าไปในใจมันไม่ต้องเปิดตำราใจนี้แหละจะเป็นกายเป็นตำราขึ้นมาเวลาเทศก็ไม่ต้องมาเปิดหนังสือไม่ต้องมาเปิดไม่ต้องมาขีดมเขียน เป็นใบลานมานั่งเทศอ่านกันเทศออกมาจากใจเพราะทมที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินั้นมันเข้าไปอยู่ในใจมันฝังเข้าไปในใจธรรมนี่แหละที่ฝังอยู่ในใจนี่แหละที่เป็นยาธรรมโอสถ ท, ที่แท้จริงที่จะรักษาโรคความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปได้ดังนั้น ก็ให้เราเข้าใจว่าการศึกษาและการปฏิบัติที่ถูกต้องนี้มันต้องไปควบคู่กันไปศึกษาไปแล้วก็ปฏิบัติกันไปเช่นไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านสอนให้บิณฑบาต ท, ท่านก็นำบิณฑบาต ท, ท่านก็บิณฑบาต ท, ทุกวันลูกศิษย์ก็ก็ต้องบิณฑบาตแต่ถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่บิณฑบาตก็ไม่มีใครบิณฑบาตกัน ไปสังเกตดูวัดที่เขาไม่บินทบาตกันเพราะคูนํำเขาไม่บินทบาตนะเพราะผู้นำไม่บินทบาตผู้สอนไม่บินทบาตนักเรียนก็ไม่บินทบาตตามสอนแต่ปากสอนให้บินทบาตเวลาบวชนี้พระพุทธเจ้าก็บังคับให้อุปชาสั่งสอนทันทีว่ากิจของสงฆ์สี่ประการที่พึงกะระทำาคือหนึ่งบิณฑบาตเลี้ยงที่ไปตลอดชีวิต สองใช้ผ้าบังสกุลคือผ้าขี้ริ้วผ้าหอ่อศพสามอยู่โคนไม้สี่ดื่มน้ำมูดดื่มยาดองน้ำมูดเนา่าเป็นยารักษาโรคไข้ไข้เจ็บนี่คื อ, อสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาได้ทรงเห็นว่าเป็นวิธีดูแลรักษาร่างกายของนักบวชได้ ดีที่สุดเพราะไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากสามารถที่จะทำได้อย่างง่ายได้ผ้าบางสกุลไปเก็บผ้าที่เห้วผ้าที่เขาทิ้งตามป่าชา้าตามกองขยะมันง่ายไม่ใช่มาสอนให้ไปใช้ผ้าไหมผ้าอะไรผ้าสำรับที่ต้องไปหาเงินหาทองไปซื้อตามร้านต่างๆ สมัยพุทธกาลนี่เป็นยุคที่บุกเบิกยังไม่มีใครศรัทธาไม่มีใครรู้ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าขาดแคลนอะไรต้องการอะไรถ้าพระสงฆ์ไม่บอกเขาก็ไม่รู้บางทีพระสงฆ์ก็ไม่อยากจะบอกเพราะว่าเป็นการไปรบกวนเป็นการไปข อ, อก็หาตามมีตามเกิดกันอยู่กันตามมีตามเกิดกันนี่แหละคือลักษณะของการศึกษาและของการปฏิบัติ ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้รับการศึกษามาจากครูบาอาจารย์ฮ่องกอถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ยุคของพระพุทธเจ้าเนี่ยสายพระป่าเนี่ยท่านยึดแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนให้พระปฏิบัติกันอให้อยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่าให้ยินดีตามมีตามเกิดไม่ให้ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เอ ถ้าเขาไม่ได้ปาวานาตัวหรือเขาไม่ได้เป็นญาติอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาและก็เป็นการปฏิบัติ <c oughs> ครูบาอาจารย์ท่านจะพาลูกศิษย์ลูกหาบิณฑบาตพาให้ฉันมือเดียวฉันในบาทแล้วก็สอนให้เดินจงกรมนั่งสมาธิท่านก็เดินจงกรมท่านก็นั่งสมาธิกันไม่ได้เพียงแต่สอนทางทฤษฎี เดินจงกรมกันแต่ไม่เห็นมีใครเดินนั่งสมาธิแต่ไม่มีใครนั่งกันมีแต่เรียนเพื่อเอาไปสอบกันเรียนเพื่อเอาไปท่องเอาไปจำแล้วก็ไปสอบพอสอบผ่านแล้วก็ก็ถือว่าผ่านแล้วไม่มีการปฏิบัติเลยถ้าไม่มีการปฏิบัติเลยเรียนไปทั้งพระไตรปิฎกก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจ เพราะไม่สามารถทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ก็ เ, เหมือนกับการไปเอายามาแล้วไม่ไปรับประทานยาไปเรียนวิธีกินยาไปเรียนสรรพคุณของยาแต่ไม่เอายามารับประทานโรคภยัยใค่เจ็บก็จะไม่มีวันหายไปได้โรคภยัยใค่เจ็บทางใจก็เช่นเดียวกัน เรียนแล้วก็ต้องปฏิบัติไปหาหมอปับ๊บหมอให้ยามาก็เอามากินทันทีเลยไม่ใช่เอาวางไว้เฉยๆล้วก็รอให้โลกมันหายเองโลกมันไม่หายมันต้องกินยาอย่างใดการศึกษาอย่างเดียวโดยไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับการรับยามาแล้วไม่เอาไปรับแล้วไม่รับประทานยาโายครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายไป ถ้าอยากจะให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆหายไปก็ต้องเรียนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติแล้วก็ความทุกข์ต่างๆก็จะค่อยหายไปตามลําดับเลยตามกําลังของฤทิ์ยาที่เราเอาเข้าไปสู่จิตสู่ใจพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทําทานเนี่ยถ้าเราทําสอนแล้วเราก็ทําตามที่พระเจ้าสอนคือ วิธีทําทานที่ถูกต้องเราก็ยังไม่รู้กันว่าทายัางไงถึงถูกต้องเราก็รู้แบบผิดผิดถูกถูกหรือว่าทําทานนี้เพื่อที่จ ะ, ะสะสมบุญบรารมีอะไรต่างๆความจริงทําทานนี้เป็นการมากำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการใช้เงินทองหรือแบบไม่ถูกต้องนั่นเอง เรามีเงินทองกันแต่แทนที่เงินทองจะให้ความสุขกับเรามันกลับกลายเป็นตัวปัญหาขึ้นมาทำให้เราต้องทุกข์กับมันเวลาที่เงินทองขาดไม้ขาดมือก็เพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีใช้เงินทองที่ถูกต้องนั่นเองถ้าเราใช้เงินทองตามความอยากเนี่ยมันจะทำให้เราต้องทุกข์ต่อไปเพราะความอยากใช้เงินทองนี้มันไม่มีประมาณ มีเท่าไหร่มันก็ใช้ได้หมดเห็นอะไรก็อยากได้อยากจะเที่ยวอยากจะกินอยากจะดืม่มก็ทำถ้ามีเงินทองทำเท่าไหร่ก็ไม่เกิดความอิ่มความพอขึ้นมาทำไปแล้วก็ต้องทำไปอยู่เรื่อย <c oughs> เวลาไม่ได้ทำก็เกิดความทุกใจขึ้นมานี่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีใช้เงินทองที่ถูกต้อง วิธีที่ใช้เงินที่ทองที่ถูกต้องก็คือหนึ่งแบ่งส่วนหนึ่งไว้สำหรับใช้กับสิ่งที่จำเป็นเ mm hmm. ช่นเลี้ยงดูร่างกายของเราใช้เงินทองไว้ซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อย่อาศัยเราก็ต้องรู้จักซื้อรู้จักประมาณไม่ใช่ซื้อกันแบบ เกินเลยเถิอาหารก็มีมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเสื้อผ้ามีมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้ามีมากเกินความต้องการมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้มีพอเพียงอย่างที่ในหลวงของเราท่านเคยตัดไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือวิธีใช้เงินที่ถูกต้องแล้วถ้ายังมีเงินเหลือ ก็อย่าเอาไปใช้ตามความอยากอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกมินก้นไกยเทนไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันไปซื้อเครื่องประดับประดาซื้ออะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีกันถ้าอยากจะใช้เงินถ้าบอกว่าเอาเงินนี้ไปทาบุญเรียนดีกว่าทาบุญแล้วจะทาให้ใจอิ่ม ใจจะไม่หิวจะไม่อยากกับการใช้เงินในทางอื่นแล้วจะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินมากแล้วถ้าเราไม่ใช้เงินมากเราก็จะได้ไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะไม่มีความกดดันที่จะต้องไปทำบาปทำกรรมในการหาเงินเพราะเราไม่มีความต้องการเงินทองมากเราต้องการเพียงแต่เอาเงินทองมาจุนเจือเลี้ยงดูร่างกายของเราเท่านั้น ส่วนถ้ามีส่วนเหลือเราก็เอาไปทําบุญหรือเก็บสํารองไว้ในอนาคตเพื่อวันข้างหน้าเราไม่สบายเอไม่สามารถหาเงินหาทองได้ <c oughs> เราก็จะได้มีเงินทองเนี่ถ้าทำถ้าใช้เอาเงินมาทําบุญแบบนี้มันเป็นการทําให้เราไม่มีภาวะกดดันในการที่จะต้องหาเงินเพราะเราจะไม่ใช้เงินมาก การทำบุญจะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจทำให้เราไม่ต้องไปซื้อของต่างๆไม่ต้องไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเงินทองก็จะไม่ต้องใช้มากเราก็ไม่ต้องหามากก็เลยไม่ต้องมีความกดดันที่จะต้องไปทำบาปเพื่อจะได้หาเงินมาคนที่ที่หาเงินด้วยการทำบาปเพราะมันหาง่ายหาได้มากหาได้เร็วกว่านั่นเอง แต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัวสร้างความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาสร้างความทุกข์ที่เกิดจากการใช้เงินตามความอยากต่างๆถ้าเราเอามาทําบุญเราก็จะไม่ได้ใช้เงินไปตามความอยากต่างๆแล้วถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะไม่มีความกดดันที่จะต้องไปหาเงินมาใช้ไม่มีก็ไม่ใช้ไม่มีเงินทาบุญก็ไม่ต้องทาบุญ แต่เราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่มีความอยากไปเที่ยวไม่มีความอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆอันนี้คือเป้าหมายของการทำบุญทำบุญเพื่อกําจัดความอยากที่จะใช้เงินทองเป็นเครื่องเป็นวิธีหาความสุขเป็นวิธีกําจัดความทุกข์ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องอเพราะแทนที่จะกําจัดความทุกข์กลับเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้น ถ้าใช้เงินทองด้วยความอยากเพราะความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆเวลาอยากจะใช้เงินเนาไม่มีเงินใช้ก็ทุกข์กันแต่ถ้าไม่ถ้าไม่มีความอยากจะใช้เงินเวลาไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านได้แล้วก็ไม่ต้องถูกกดดันให้ไปหาเงินด้วยวิธีทำบาปทำบาปแล้วก็จะทาให้ใจวุ่นวายมากขึ้นทุกข์มากขึ้นอีกวิตกกลางวนมากขึ้น แล้วถ้าถูกจับไปลงโทษก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไปใหญ่นี่ก็คือวิธีศึกษาศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติถ้าฟังแล้วไม่เอาไปปฏิบัติมันผลก็ไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการใช้เงินทองเงินทองไม่พอใช้มันก็ยังจะไม่หมดไปเพราะถ้ายังอยากใช้เงินซื้อของต่างๆตามความอยากอยู่นี่แต่ให้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ สมัยเด็กๆนี่เรามีวันละกี่ตังค์ทำไมเราอยู่ได้ใช้ได้พอเราโตขึ้นมาทำไมต้องใช้มากขึ้นกว่าสมัยที่เราเป็นเด็กๆร่างกายเรามันก็ร่างกายอันเดียวกันกินอาหารก็ไม่เพิ่มมากไปกว่ากันมากน้อยเพียงไรแต่ของที่อยากจะซื้อนี่มันมากขึ้นเหลือเกินสถานที่เราอยากจะไปอยากจะไปท่องเที่ยวสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะฟังนี่มัน มีมากมายความอยากที่จะไปมันมีเพิ่มมากขึ้นไปจนทำให้เงินทองเราไม่เคยพอใช้สักครั้งไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่เรามักจะใช้มากกว่าที่เงินทองเราจะมีกันหรืออยากจะใช้มากกว่าเงินทองที่เรามีกันเราจึงไม่เคยมีความสุขกันเท่าไหร่สุขที่ได้จากการใช้เงินทองก็เป็นสุขเดี๋ยวเดียวสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป แล้วความอยากที่จะใช้เงินใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วพอไม่มไม่สาไม่มีเงินจะใช้ก็ทุกข์กันอีกอนนี่คือเรื่องของการศึกษาวิธีทาบุญทาไมเราต้องทำบุญทาทานกันทาบุญเพื่อทำให้ใจเราอิ่มใช้เงินไปจับความอยากนี่เหมือนกับไปซื้อยาเสพติดใช้เงินไปกระปกรทำบุญนี่เหมือนกับการไปซื้ออาหารมารับประทาน เวลาทําบุญแล้วใจเราอิ่มเพราะบุญนี้เป็นอาหารของใจแต่ถ้าเราเอาเงินไปใช้ตามความอยากนี่มันเป็นความสุขชั่วคราวเหมือนสุขที่ได้จากยาเสพติดนะเวลาไปเสพยาเวลาได้เสพยามันสบายมีความสุขเดี๋ยวพอฤทธิยาหมดมันก็ความสุขนั้นก็หายไปความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ แล้วถ้าไม่มีเงินซื้อยามาเสพทีนี้ก็ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นี่คือหลักการของการทำบุญให้เราใช้เงินทำบุญให้เกิดประโยชน์กับใช้ทำให้เกิดประโยชน์กับใจเราด้วยการทาบุญอย่าไปใช้ด้วยการทำตามความอยากต่างๆเพราะการใช้ตามความอยากเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดมาให้กับใจส่วนการทำบุญนี้เป็นเหมือนกับการซื้ออาหารมาให้กับใจ ทำบุญแล้วใจจะอิ่มใจจะไม่หิวไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปซื้อข้าวซื้อของไม่จำเป็นต่างๆคนที่ทําบุญเป็นประจำนี้จะอยู่แบบมักน้อยสันโดษได้อยู่แบบสมถะเรียบง่ายได้ใช้สอยอะไรปัจจัยสี่ก็ใช้ด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ใช้ด้วยอารมณ์เช่นเสื้อผ้าก็มีแบบเรียบเรียบง่ายๆ ไม่ต้องแพงซื้อตามตลาดนัดก็ใช้ได้เพราะหน้าที่ของเสื้อผ้าก็มีไว้เพื่อปกปิดรักษาร่างกายเท่านั้นเองไม่ได้เอามาทำให้ร่างกายวิเศษขึ้นแต่อย่างใดแต่ถ้าใช้ด้วยความหลงก็จะคิดว่าต้องเสียเงินมากๆซื้อเสื้อผ้าแพงๆสวยๆงามๆแล้วจะทำให้ร่างกายทำให้ตัวเรานิวิเศษขึ้นมามันเป็นความโกหกหลอกลวงตัวเอง เราไม่ได้วิเศษจากเสื้อผ้าที่วิจิตรพิสดาร ห, หรืสวยงามแต่อย่างใดเราวิเศษเพราะใจเราไม่มีความทุกข์คนเราจะวิเศษไม่วิเศษดูที่ใจเหล่านี้ว่าสุขหรือทุกข์ถ้าใจสุขใจไม่ทุกข์นั่นแหะคือความวิเศษเพราะถ้าเราสุขแล้วเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครถ้าเราทุกข์แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปวุ่นวายไปอะไรกับใครไปทําร้ายไปทําลายใครต่างๆ แล้วเราจะวิเศษได้อย่างไรนี่คือการศึกษาศึกษาแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติแล้วการการศึกษามันก็เป็นขั้นขั้นขั้นแรกท่านก็สอนให้ทำทานเพราะเราทำทานได้แล้วเรื่องการรักษาศีลมันก็จะง่ายเพราะจะไม่มีเหตุมากดดันให้เราไปทำบาปเราไม่ต้องใช้เงินทองมากเราใช้แบบประหยัดใช้แบบ มักน้อยสันโดษเสื้อผ้ามีสี่ห้าชุดก็พออยู่ได้แล้วอาหารมื้อละห้าสิบบาทก็อยู่กินกันได้แล้วแล้วกินไม่ต้องมากกินวันละมือ้อสองมื้อก็อยู่กันได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันไม่มีปัญหาตัวที่เป็นปัญหาคือความอยากพอมีความอยากกินแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่พอกินจนส้างร่างกายเป็นตุ่มก็ยังอยากกินอยู่นั่น กินด้วยความอยากแต่ถ้ากินด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันจะไม่ไม่มีปัญหาแเราทำให้เรารักษาศีลได้พอเรารักษาศีลได้เราก็จะมีเวลาที่เราจะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปได้ก็คือไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญา ที่เรียกว่าสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาคือเราถ้าเราถือศีลแปดได้นี้เราก็จะกาจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเราจะได้เอาเวลาที่เราไปใช้กิจกรรมทําตามความอยากต่าง ๆ, ๆนี้มาใช้กับการมาเจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาแต่ถ้าเรา ยังมีความอยากเที่ยวยังอยากหาความสุขทางตาหูจะหมกเินกายอยู่เราจะรักษาศีลแปดกันไม่ได้ถ้าเรารักษาศิ้นแปดไม่ได้เราก็จะไม่มีเวลาว่างมาภาวนากันมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาเจริญสติมาฟังเทศฟังธรรมมาพิจารณาธรรมต่างๆให้เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยทำขั้นต่างๆนี้มันเป็นทำเป็นเหมือนขั้นบันได ที่มันจะสนับสนุนกันถ้าเรายังติดอยู่กับการใช้เงินหาเงินอยู่เราก็ต้องหาวิธีเลิกเหมือนด้วยการเอาเงินที่เราจะไปใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นมาทําบุญแทนแล้วจะทําให้ใจเราหายอยากเที่ยวหายอยากใช้เงินเราอยากหายจากการอยากหาเงินมากๆง่ายๆเร็วๆ เ, เราก็จะรักษาศีลได้เราก็จะอยู่ กับที่ได้ไม่ต้องออกไปเที่ยวนอกบ้านเราก็จะไปอยู่วัดได้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปเจริญสติไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ไปเจริญปัญญาเพื่อเอามาทำลายเชื้อโรคของใจคือกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ทำชนิดอื่นนี้ทำลายไม่ได้ทำชนิดอื่นเป็นเพียงทำที่จะสนับสนุนให้เราได้ไปเข้าไปสู่ขั้นปัญญาทำบุญทำทานเพื่อเราจะได้รักษาศีลเมื่อเรารักษาศีลได้เราก็จะภาวนาสมถะภาวนาได้เดินยงกลมนั่งสมาธิจเจริญสติทําใจให้สงบได้พอใจสงบมีความสุขเราก็จะสามารถ เอาปัญญาที่พระเจ้าสอนให้พวกเรามาฆ่ากิเลสได้ปัญญาของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องศึกษาว่าพระเจ้าสอนว่าให้เรามีปัญญาอย่างไรก็คือให้เราเห็นให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขในโลกนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเป็นความสุขเดียวยวความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็สุขแต่มันจะไม่สุขนานเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วมันต้องเปลี่ยนไป มันหายไปดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีการเสื่อมมีการสิ้นสุดเวลาได้มามันก็ให้ความสุขกับเราพอมันเสื่อมมันหมดไปมันก็หายความสุขก็หายไปความทุกหรือความอยากใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่พออยากแล้วไม่ได้ก็จะทำให้เราทุกนี่ก็จะเห็นว่าการทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์ พอเรามีปัญญาแล้วแล้วเรามีสมาธิเรามีความสุขในใจเราแล้ ว, ลวเราก็เลิกหาความสุขภายนอกได้หาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ได้เพราะเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราถ้าเรามีความสุขภายในใจของเราคือสมาธิคือความสงบนี่คือธรรมต่างๆทานนี้ ฆ่ากิเลสให้ตายไม่ได้ศีลฆ่ากิเลสตัณหาให้ตายไม่ได้สมาธิก็ฆ่าไม่ได้มีแต่ปัญญาแต่ก่อนที่จะไปถึงปัญญาได้ก็ต้องมีทานมีศีลมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถไปใช้ปัญญาเพื่อมาฆ่ากิเลสได้ตอนนี้พวกเราก็มีปัญญากันรู้ว่าความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากกันแต่พวกเราไม่มีกำลังที่จะสู้ความอยากได้ ยังอยากไปเที่ยวยังอยากใช้เงินซื้อสิ่งนู้นสิ่งนี้กันอยูนะ่เพราะเรายังไม่ทําทานแบบเต็มที่นะทําทานแบบเต็มที่ก็คือมีเงินเท่าไหร่ก็ทําไปให้หมดพอไม่มีเงินแล้วทีนี้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้นะนะพวกพระนี่มาบวชเนะี่ยพุทธจาบอกว่าให้สละทรัพย์ไปให้หมดนถะึงมาบวชกันนะแต่มาบวชแล้วสมัยนี้ยากโยงว่ากลับมามาม า, มาใหญ่มาเล่อพระให้เงินพระอีก ไม่รู้ว่าการให้เงินพระนี่เป็นการไปไปทาให้พระเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาก็ยังให้แต่ก็ให้ด้วยความปรารถนาดีเพราะกลัวจะขาดแคลนในเรื่องของปัจจัยสี่ความจริงที่ให้เงินนี้เพื่อให้มาใช้กับปัจจัยสี่แต่พระรับไปแล้วมันลืมไปลึกว่าจะให้มาใช้กับปัจจัยสี่มักไปใช้กับปัจจัยห้าปัจจัยหกแทน ไปซื้อมือถือไปซื้ออะไรกันเนี่ยเวลาโ ย, ยมเขียนใบปวานานี้เขียนว่าถวายเพื่อส ม, มณะบริโภคสิ่งที่สมควรแต่การบริโภคของสัมมณะของพระก็คืออาหารบิณฑบาต ท, ที่จีวรที่วาสัยยารักษาโรคเนี่ยที่ถวายปัจจัยสี่นี้ก็ถวายเพื่อสิ่งนี้นแต่พระรับไปแล้วก็เอาไปใช้ตามอัติยาศัย อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเห็นไมเดี๋ยวนี้ขึ้นเครื่องบินกันไปไหนมาไหนขึ้นเครื่องกั น, นก็อ้างว่าไปเผยแผ่ธรรมะไม่รู้เอาธรรมะที่ไหนไปเผยแผ่นี่แหละคือเรื่องของเงินทองตัวที่เป็นเหมือนตัวที่จะขัดขวางการเจริญในธรรมเป็นเหมือนกับสมอเรือ เรือนี่มันจะวิ่งไปไม่ได้จะแล่นไปจะลอยไปไม่ได้ถ้าไม่ถอนสมอจะให้เรือไปนี่มันต้องถอนสมอเรืออันใดจิตของพวกเราจะไปนิพพานไปลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นี่มันต้องถอนสมอเรือก่อนต้องไม่ติดอยู่กับเงินทองต้องไม่พึ่งเงินทองเป็นสระนเป็นสิ่งที่มาให้ความสุขกับเราต้องเลิใช้เงินทองกันถ้าใช้ก็ใช้กับ ร่างกายเท่านั้นคือปัจจัยสี่อันนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็เหมือนเรือไม่มีน้ำมันเรือจะวิ่งได้มันก็ต้องมีน้ำมันหรือรถที่จะวิ่งได้ก็ต้องมีน้ำมันก็ต้องเติมน้ำมันต้องมีปัจจัยสี่ร่างกายถึงจะสมบูรณ์แข็งแรงถึงจะได้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้อันนี้ถ้าจะใช้เงินก็ใช้เฉพาะปัจจัยสี่ ถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วก็ไม่ควรใช้ถ้าใช้ก็เหมือนกับไปทอดสมอเรือเรือวิ่งไปก็จะวิ่งไปลาบากเพราะสมอมันจะคอยลากดึงเรือไว้ไม่ให้ไปที่พวกเราไปไหนกันไม่ได้ก็เพราะเรายังติดเงินติดทองกันอยู่เนี่ยใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆกันอยากจะไปไหนก็ใช้เงินพาไปอยากจะซื้ออะไรก็เอาเงินพาซื้ออยากจะเที่ยวยก็ใช้เงินพาไปเที่ยว แล้ว เ, เลยติดอยู่กับการใช้เงินหาเงินเนี่ยแล้วมันจะมีเวลาไปปฏิบัติทําได้อย่างไรมีได้ก็เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดนานๆทีเท่านั้นเองถ้าปฏิบัติแค่นี้มันไม่พอปฏิบัติปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกว่าเพื่อพุทธภูมิมถ้าต้องการปฏิบัติเพื่อสาวกภูมินี่มันต้องไปบวชมันต้องเลิกใช้เงินทองไม่ต้องหาเงินทองมันจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อยเต็มที่ แล้วจะได้บรรลุตามที่พระเจ้ทาทรงพยากรณ์ไว้ทรงรับรองไว้ว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากก็าสามารถไปถึงพระนิพพานได้สามารถเอาธรรมโอสถเข้าไปสู่ใจเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนและเจ็ดปีอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าพวกเราอยากที่จะ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องเอาธรรมะเอาสวดเข้ามาสู่ใจของเราให้ได้ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติควบคู่กันไปแล้วรับรองได้ว่าภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของท่านจะหายไปหมดอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปริรปเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะหราโสยะถามนิโชติ อราโสยะาสัพพิต so ิโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีพายุโกภะอภิวัธนศีดิสะนิจังวุธาปจายิโนจตารโหธรมมวะทานติอายุวโนโอสุขัง อลําหนับต่อไปเป็นช่วงถามต่อปัญหาท่านบุดมีคําถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยขออย่ามาถามตอนหลังจากที่เราเลิิกประชมแล้วออยากจะถามขอถามตอนนี้จะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆายคนด้วยกันอถ้าถามสองต่อสองนี้มันได้ประโยชน์คนเดียวออจะเสียเวลามาก ออคําถามมันของเราก็เป็นมันก็เป็นคําถามของคนอื่นด้วยเพราะคนอื่นเขาก็คงจะมีคําถามคล้ายๆกันอืวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊ก340คนครับทางยูทูบ60คนครับมีคําถามเข้ามาไหมถามได้เลยมีค่ะมี โยมมารีวันแก้วมาค่ะที่ได้ส่งคำถามมาถามพระอาจารย์เมื่อวานที่ว่าลูกสาวเขาเสียชีวิตไปตอนสี่ขวบเมื่อสี่เดือนก่อนที่เป็นไข้เลือดออกค่ ะ, คะทีน่นี้วันนี้เขาส่งเข้ามาอีกนะคะเขาส่งเข้ามาว่าหลวงพ่อคะช่วยโปรดสัตว์อย่างหนูด้วยเถอคะ่ะไม่รู้จะทำยังไงชีวิตหนูเปลี่ยนไปหมดคิดไม่ได้ลงไม่ลงคิดถึงลูกที่จากไปเหลือเกินคะ่ะหลวงพ่อ ออก็ต้องหยุดคิดใช้พุโทโธหยุดคิดมันอย่าไปคิดถึงมันสวดมนต์ไปก็ได้พุทโธไปก็ได้ไม่ว่าเราทำอะไรอยู่อย่าไปคิดถึงลูกถ้าคิดถึงลูกก็ให้สวดพุโทโธพุธโทโธไปหรือสวดอิติปิโสไปภายในใจอย่าปล่อยให้คิดคิดแล้วมันจะเศร้าเพราะมันยังอยากจะให้ลูกกลับมาอยู่พยายามอย่าคิดหรือถ้าอยากจะ ให้ยเศร้าลองไปอ่านนิทานในในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ามีเรื่องราวของแม่ที่เสียลูกไปลูกอายุยังไม่ได้กี่เดือนกี่วันคลอดออกมาก็เสียชีวิตไปแม่ก็รักลูกไม่อยากจะเสียลูกก็เลยไม่ยอมเอาไปทำชาปนากิจไม่ยอมเอาไปเผ า, าไปฝัง นอ น, ออนอนกอดลูกนอนกอดลูกสบลูกร้องห่มร้องไห้ไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไร้าบ้านเห็นเขาก็สงสารก็เลยบอกว่าให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะช่วยเธอได้พอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยได้ก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้าจะทำให้ลูกฟื้นขึ้นมาก็เลยอุ้มศพลูกไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าบอกว่า ได้ข่าวว่าพระเจ้าจะช่วยทำให้ลูกเขาฟื้นพระเจ้าบอกว่าง่ายมากขอให้เธอไปหามะเล็ดผักกาดมาสักกำมือนึ่งแต่มะเล็ดผักกาดนี้ต้องเอามาจากบ้านที่ไม่มีคนตายถ้าบ้านไหนมีคนตายนี้ใช้ไม่ได้เธอก็ดีใจรีบกลับไปในหมู่บ้านไปเคาะประตูบ้านของชาวบ้าน ไปเขาไปบ้านไหนที่มีเม่เลืดผักกาดก็ถามเขาว่าแล้วมีคนตายไหยเขาก็ว่ามีมีปู่ย่าตายายมีญาติี่น้องต้องมีใครตายอยู่สักคนหนึ่งไปบ้านไหนก็ได้คําตอบแบบเดียวกันบ้านไหนมีเม่เลืดผักกาดก็มีคนตายเหมือนกันหมดจนไปทั่วหมดเลยเธอก็เลยได้สติว่าออทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย ทุกคนต้องมีญาติต้องมีคนสูญเสียชีวิตไปไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงความตายพ้นความตายไปได้ก็เลยทําให้เธอมองเห็นภาพเห็นความจริงเห็นสัจธรรมความจริงว่าความตายนี้เป็นของธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นความตายไปไม่ได้และไม่ใช่เป็นลูกของเธอคนเดียวที่ตายคนทุกคนที่กําลังอยู่ตอนนี้ เดี๋ยวก็ต้องตายกันพวกที่ตายไปแล้วก็มีเยอะแย ะ, ะไม่มีใครไม่ตายถ้าเกิดมาแล้วต้องตายกันทุกคนอพอเธอเห็นสัจ ธ, ธรรมความจริงอันนี้เธอก็เลยยอมรับความจริงก็เลยหายเศร้าโศกเสียใจถ้าอยากจะหายจากความเศร้าโศกเสียใจลองไปค้นหานิทานเรื่องนี้อ่านโดยละเอียดดู เรองนี้เพียงแต่จำมาแบบคร่าวๆอาจจะมีการข้าเคลื่อนอยู่บ้างใครทางบ้านที่รู้จักชื่อพระสูตรนี้ก็ลองส่งเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวจะได้บอกให้โยมคนนี้เขาลองไปหามาอ่านดูคำถามต่อไปนะคะจากคุณโยมจงศนีวงหาจากกราบนมัสการพระจารย์ค่ะ ทำบุญทอดกระถิน่นโดยการบริจาคสิ่งของต่างๆเช่นสบู่น้ำดื่มยาสีฟันจะมีอาณิสงเหมือน ก, นกันกับการถวายสังฆทานไหมคะเหมือนกันเน่เป็นทานเหมือนกันสังฆทานกระถินก็เป็นสังฆทานอย่างหนึง่งเป็นทานอย่างหนึง่งบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ปริมาณที่เราทำไปทำร้อยบาทก็ได้บุญร้อยบาททำพันบาทก็ได้บุญพันบาท ไม่ว่าจะเป็นบุญสังฆทานและบุญกรถินก็เหมือนกันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นกระถินหรือเป็นสังฆทานอยู่ที่ว่าปริมาณของการทำของเรามากหรือน้อยบุญจะมากหรือน้อยอยู่ที่ปริมาณเงินทองที่เราเสียสละไปคำถามต่อไปนะคะจากคุณโยมกัญญาพรการเอาชื่อเขียนบนแผ่นทองแล้วนำไปบรงจุใต้พระบรม มาธาตุเจดีได้บุญอย่างไรบ้างคะไม่ได้เลยเพราะมันมันไม่ได้เสียสละอะไรบุญเกิดจากการเสียสละ เ, เงินทองหรือกําลังกายของเราเราไม่มีเงินแต่เราเอาเอากําลังกายเราไปทําประโยชน์เช่นไปช่วยงานของวัดไปล้างซุวมไปกวาดถูสาลา ไปทำความสะอาดหรือไปช่วยงานต่างๆของวัดหรือของผู้อื่นถึงจะเกิดบุญขึ้นมางแต่เอาแผ่นอะไรเขียนแล้วก็เอาไปใส่ไว้ใต้ฐานพระนี่ไม่เกิดบุญอะไรในะเกิดกิเลสเพราะยังอยากอยากยังติดจะชื่อเสียงของตนเองชื่อเสียงก็เป็นของสมมุติไม่ใช่ของจริงยังไปยึดติดว่าเราชื่อนั้นชื่อนี้ได้ทาบุญกับวันนี้มาเลยต้องฝากชื่อเอาไว้ แล้วใครจะมาดูตายไปคนมาดูเขาก็ไม่รู้จักเราอยู่ดีนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรทำบุญทำแบาบปปิดทองหลังพระดีกว่าเกอไม่ประสงค์ออกนามทำแล้วก็จบเรารู้คนเดียวของเราพอละคนอื่นรู้เป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ได้ทำให้เกิดบุญกับเราเรารู้ว่าเราได้ทำบุญนั่นนะ่ะเกิดบุญมนาะแต่ถ้าเราทาบุญโดยที่เรา ตายไปแล้วสั่งเขาไว้ว่าให้ไปทำบุญนี้เราไม่รู้เราไม่ได้บุญอะเช่น mm. เราอาจจะเขียนพินัยกรรมว่าตายไปแล้วเอาเงินส่วนนี้ไปทำบุญกับวัดนี่เราไม่รู้เวลาเราตายว่าเงินส่วนนี้ไปไปถึงที่วัดที่เราสั่งหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ก็ต้องทาตอนที่เรายังไม่ตายอย่าอย่าไปทำบุญแบบเขียนพินัยกรรมมันไม่ได้บุญเพราะเราไม่รู้คนอื่นอาจจะรู้แต่เราไม่รู้ อาจจะไปทําตามที่เราสั่งแต่เราไม่รู้เราก็จะไม่ได้บุญเราต้องรู้ว่าเราได้เสียสละส่วนประโยชน์ของเราไปอันนั้นแหละมันถึงจะทําให้เราได้บุญขึ้นมาได้ความสุขใจขึ้นมาคําถามต่อไปนะคะจากคุณวันสุขค่ะขอถามเพื่อเป็นกรณีศึกษาค่ะมีนักปฏิบัติบางคนบอกว่านั่งแล้วสงบเข้าอัปปนา จิตนิ่งๆก็คิดว่าเขาคงสติดีแต่พอคุยเขาก็คุยนอกเรื่องปฏิบัติคล้ายกับคนฟุ้งซ่านบางครั้งเห็นเขาไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้มันเลยดูขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูดว่าสงบในขณะที่หนูนั่งแล้วไม่เคยเข้าอัปปนาบางครั้งสู้กับความฟุง้งแต่ไม่อยากยุ่งไม่อยากคุยกับใครเพราะกลัววุ่นวาย หนูเลยไม่แน่ใจว่าคิดแบบหนูผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกถ้าหนูไม่อยากวุ่นวายก็ถูกแล้ว้าหนูต้องการความสงบไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องกับใครนี้ก็เป็นการไปถูกทางแล้วแต่มันยังไม่สงบต้องพยายามนั่งให้มันสงบให้มันนิ่งแล้วถ้าสงบบ่อยๆเวลาออกมาจิตมันก็จะนิ่งได้นานได้บ่อยมันจะเฉยกับ สิ่่งงตาๆกับบุคคคลต่างๆได้ำถามจากคุณบู์กราบถามพระอาจารย์ครับผมนั่งสมาธิได้ประมาณชั่วโมงแต่ขาบัญชาและเป็นตะคิวครับผมควรทำอย่างไรครับออเป็นธรรมดาของร่างกายนั่งไปสักพักมันก็ต้องเจ็บรวอชาเป็นธรรมดา แต่เราไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยร่างกายไปตอนนี้เรานั่งสมาธิเหมือนกับคิดว่าเราตายจากร่างกายนี้ไปให้เราอยู่กับใจให้สนใจกับเรื่องของใจเพียงอย่างเดียวคือพยายามทำใจให้สงบอย่าให้มันคิดอะไรพุโทโธพุโทโธไปร่างกายจะเจ็บจะชาก็ปล่อยมันเจ็บมันชาไปเป้าหมายของการนั่งไม่ได้มาแก้การเจ็บชาของร่างกายเป้าหมายคือต้องการทาใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิ ก็จะได้เกิดความสุขใจอิ่มใจพอใจขึ้นมาคําถามจากคุณอ้อนั่งสมาธิช่วงนี้จิตไม่ค่อยสงบเลยค่ะพอนั่งไปได้สักพักพุทโธไปเรื่อยๆอีกจิตหนึ่งก็จะส่งออกนอกตลอดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดแต่อีกจิตก็พยายามดึงจิตที่ออกนอกเข้ามาข้างใน แล้วภาวนาพุโทโธพุธโทโธเลยทําให้จิตไม่ค่อยสงบเลยค่ะพระอาจารย์ทําอย่างไรดีคะบางครั้งรู้สึกท้อค่ะเพราะว่าจิตที่ใช้พุโทโธมันมีกําลังน้อยกว่าจิตที่เอาไปคิดเนี่ยเราต้องหัดพุโทโธก่อนที่เรามานั่งต้องหมั่นพุโทโธพุธโทโธทั้งวันไปเลยลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้จิตคิดเนี่ยถ้าเราพุโทโธบ่อยๆจิต ที่พุทโธก็จะมีกำลังมากกว่าจิตที่คิดพอเวลานั่งเราก็จะอยู่กับพุทโธได้แล้วจิตที่คิดมันก็จะจางหายไปแล้วจิตของเราก็จะรวมเป็นหนึง่งเป็นความสงบขึ้นมาตอนนี้เราขาดกำลังสติคือพุทโธพุทโธเรามีกำลังน้อยเราต้องหมั่นฝึกพุทโธตลอดเวลาก่อนที่เราจะมานั่งถ้าไม่ต้องใช้ความคิดอะไรอย่าปล่อยให้คิดให้คิดอยู่กับพุทโธไป ถ้าจะคิดเรื่องเพอเจอ้อเรื่องเพอฝันก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันถ้ามันไม่คิดเราก็ไม่ต้องพุโทโธะถ้ามันดูเฉยๆแต่พอมันคิดเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปทุกครั้งไปแล้วเวลาเรานั่งจิตที่คิดมันก็จะไม่มีกําลังเราจะมีจิตพุโทโธมีกําลังมากมันก็จะทําจิตให้รวมเป็นหนึ่งให้สงบได้ คำถามต่อไปนะคะจากคุณอาร์ตพระอาจารย์ครับการสวดมนต์นั่งสมาธิและกรรมฐานแต่ไม่ได้ภาวนาในระหว่างวันไม่ตามดูไม่รู้เห็นลมหายใจของตนเองกับการที่เราภาวนาพุทโธตามดูรู้เห็นถึงลมหายใจของเราระหว่างวันโกรธก็รู้ว่าโกรธโมโหก็ให้รู้ว่าโมโห แต่เราไม่ได้สวดมนต์ทั้งสองแบบนี้ต่างกันอย่างไรขอรับคือถ้าสวดมนต์มันจะทำให้จิตหยุดโกรธหยุดอะไรได้แต่ถ้าเราไม่สวดตามดูมันดูจิตไปมันก็จะไม่ทำให้จิตมันหายโกรธหยุดโกรธเราปฏิบัตินี้เราต้องการหยุดความโกรธความโลภแล้วมันด้วยการดูจิตนี่มันจะหยุดไม่ได้เราต้องหยุดมันด้วยการใช้คำบริกรรมพุโทโธหรืใช้การสวดมนต์ไป เวลาโกรธก็ต้องพุทโธพุทโธไปให้มันหยุดเวลาโลภก็ต้องพุทโธพุทโธไปให้มันหยุดอย่าปล่อยให้มันโลภปล่อยให้มันโกรธถ้าเราเราหยุดความโกรธหยุดความโลภด้วยสติได้แล้วเราค่อยดูจิตอีกทีหนึ่งเวลาจิตโลภเราก็หยุดมันได้เวลาจิตโกรธก็หยุดมันได้ตอนนี้ถ้าไม่มีสติมันโลภก็หยุดมันไม่ได้มันโกรธก็หยุดไม่ได้เดี๋ยวหยุดได้แป๊บเดียวพอเผลอแป๊บมันก็กลับมาใหม่เ เนพยายามหัดใช้สติหยุดมันอย่าอย่าดูมันควบคุมจิตอย่าให้เกิดเลยคำถามต่อไปจากคุณอิทธิกรการเริ่มต้นภาวนานั้นกว่าจะเข้าถึงขั้นสมาธิใช้เวลานานไหมครับสําหรับแต่ละคนถ้าภาวนาร่วมเดือนแล้วยังไม่ก้าวหน้าถึงขั้นจิตเป็นสมาธิเลยแสดงว่า ทำผิดขั้นตอนไหนหรือเปล่าครับเพราะหลังๆรู้สึกเพียรหลังจากตื่นนอนไม่เหมือนตอนเริ่มภาวนาใหม่ๆจะรู้สึกบอดโปร่งมากขอรบกวนพระอาจารย์แนะนําแนวทางด้วยครับก็อยู่ที่กําลังของสติเนี่ยจิตจะสงบง่ายสงบเร็วหรือสงบช้าสงบยากก็อยู่ที่สติว่ามีมากมีน้อยถ้าสงบช้าสงบยากก็แสดงว่าสติมีน้อยมาก ้สงบง่ายสงบเร็วก็แสดงว่าสติมีกำลังมากดังนั้นต้องพยายามเจริญสติให้มากๆตลอดเวลาแล้วต่อไปผลของการปฏิบัติก็จะคืบหน้าไปเรื่อยๆคำถามจากคุณปัจจุบันทรรมจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องปลดเปลื้องภาระยีสินให้หมดเสียก่อนจึงจะบวชกราบนมัสการครับ ถ้าเรามีหนี้สินนานำไม่ปลดเปื้องเดี๋ยวเราไปบวชเขาก็ตามเราจะไปจับเราสึกอยู่ดีเพราะเรายังมีหนี้สินอยู่คนที่เขาไปบวชเพื่อหนี้หนี้สินได้ก็ดีเิใครมีมีหนี้สินก็อ้างไปบวชกันเดกเขาเป็นสิบล้านก็ลาไปบวชแล้วจะได้ไม่ต้องจ่ายหนี้สินมันมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาก็ต้องไปตามมาทวงหนี้อยู่ดี เรามีนี่มีพันธะเราก็ต้องเคลียร์มันให้เรียบร้อยก่อนงั้นเดี๋ยวไปบวชมันก็จะบวชไม่ได้บวชแล้อยู่ก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็มาดึงเราออกไปคำถามต่อไปจากคุณสุขใจข้อที่หนึ่งหลังจากที่ลูกกลับมาจากการปฏิบัติธรรมถือศีลแปดได้นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนช่วงหลังรู้สึกปวดมากขึ้นไม่เหมือนช่วงแรกๆที่เพิ่งกลับ จากการปฏิบัติแต่เมื่อวานนี้สังเกตว่ารู้สึกไม่ปวดเท่าไหร่นี่เป็นเพราะอะไรคะอย่าเมื่อวานได้มีให้เงินเพื่อนไปไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่ปวดเท่าไหร่ไหมาสาเหตุหล้วก็คือสติว่าเรามีมากมีน้อยมันยังไม่แน่นอนบางวันก็มากบางวันก็น้อย วันไหนมีมากก็สงบง่ายวันไหนมีน้อยก็สงบยากเหตุอีกอย่างนี้ทำให้สงบยากสงบง่ายก็คือเรื่องต่างๆที่เราเกี่ยวข้องอยู่วันไหนเรื่องมากใจวุ่นวายมากก็จะสงบยากวันไหนเรื่องน้อยใจไม่วุ่นวายมากก็สงบง่ายมันมีสองส่วนเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับใจแล้วก็สติของเราว่าเรามีมากมีน้อย คำถามที่สองจากคุณสุกใจการนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนและเจริญสติหลังตื่นนอนเพียงพอไหมคะควรต้องเพิ่มอะไรไหมถ้าต้องการให้การปฏิบัติก้าวหน้าและอย่างเวลาคุยกับคนอื่นตอนที่ฟังเขาจะมีวิธีเจริญสติอย่างไรคะปฏิบัติวันละครั้งสองครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการ สุดขัดเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติที่จะให้ผลเต็มร้อยนี่ต้องปฏิบัติเต็มร้อยคือต้องปฏิบัติตลอดเวลา ย, ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเต็มที่ส่วนเวลาที่เราคุยกันนี้เราก็คอยตั้งใจฟังเขาตั้งใจฟังแล้วก็ คอยดูใจเราว่าเรามีปฏิกิริยากับคำพูดของเขาหรือไม่ถ้ามีปฏิกิริยาเช่นโกรธขึ้นมาก็ให้ใช้พุทโธหยุดมันอย่าปล่อยให้มันโกรธจากที่ของคุณโยมมาริวันที่ลูกได้เสียชีวิตไปนะคะมีโยมทางบ้านได้แจ้งมาว่าเป็นเรื่องเมล็ดพักกาศชุบชีวิตจากอัถกถา กิสาโคดมีเถรีคาถาเอกาสนันิบาตอักสุดที่สิบสองถ้าค้นหาในกู o ก l e ก็ใช้ใส่เมล็ดผักกาศวิเศษกระพอ่อนงะคงจะค้นเจอได้ก็ขอขอบคุณท่านที่ส่งข้อมูลเข้ามาโยมที่ฟังอยู่โยมที่เสียเสียลูกไปก็ลองเอาไปค้นหาดูแล้วเอาไปอ่านดู อาจจะทําให้เห็นสัจธรรมความจริงว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เสียเสียลูกไปคนเดียวทุกคนที่มีลูกนี้เขาต้องเสียกันทุกคนช้าหรืเร็วเท่านั้นเองคําถามต่อไปจากคุณใหม่ไข่มกกราบเรียนพระอาจารย์ขอถามรายละเอียดเกี่ยวกับน้ํามูดด้วยเจ้าค่ะว่าพระป่าในสมัยก่อน ใช้น้ำมูดในการรักษาโรคอะไรได้บ้างคะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม เ, มเกี่ยวกับน้ำมูดได้จากที่ใดคะขอคำแนะนำด้วยเจ้าคะ่ะก็ใน Google เนี่ยใส่เข้าไปวิธีรักษาโรค้วยน้ำมูดราะในสมัยปัจจุบันในประเทศอินเดียเขาก็ยังนิยมใช้กันอยู่เคยได้ข่าวว่ามีนายกรัฐมนตรีอินเดียคนหนึ่งเขาก็เดิมน้ำมูดเป็นประจำทุกเช้าก็จะเดิมวันละถ้วย เป็นน้ำเป็นยารักษาโรคทั่วไปมั้ง ห, หรือเป็นยาอายุวัฒนะดือมแล้วก็จะทำให้ชีวิตยั่งยืนยาวนานคำถามต่อไปจากคุณแอร์กราเดชพระอาจารย์ครับผมหากเราทำงานร่วมกับคนพานเราทำดีกับเขาทุกอย่างดีกับเขาทุกอย่างเขาก็ยังคิดร้ายกับเรานินทาเรา กล่าวร้ายเราเราจะวางใจยังไงดีครับผมจะไม่ยุ่งกับเขาก็ไม่ได้เพราะงานต้องทำร่วมกันประสานงานกันครับเราก็อย่าไปหวังผลตอบแทนจากเขาลยเราทำความดีเพื่อเราทำความดีแล้วเราจะมีความสุขใจสบายใจเราจะได้ไม่โกรธไม่เกลียดเขาส่วนเขาจะดีกับเราหรือไม่นี่มันเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาดีกับเราเราจะไม่เดือดร้อนขอให้เราทําความดีไปนะเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วความดีมันก็จะชนะความไม่ดีเองเดี๋ยวดีไม่ดีวันหนึ่งเขาก็จะเห็นความดีของเราขึ้นมาตอนต้นอาจจะทําน้อยไปยังทําไม่มากพอทําไปเรื่อยๆทำให้มันมากขึ้นให้เงินร้อยยังไม่ยิ้มลองให้พันดูให้พันไม่ยิ้มลองให้หมื่นดูวันเกิดส่งเงินไปทําบุญ ไวโพนมันเกิดหมื่นหนึ่งสองหมื่นถ้าไม่ยืมไม่ยิ้มก็สามหมื่นเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้องยิ้มขึ้นมาสักวันนะถ้าเราต้องการผลตอบแทนถ้าเราไม่ต้องการผลตอบแทนเราก็ทำความดีไปตามกำลังของเราเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เราไปทำร้ายเขาถ้าเราไม่ทำความดีเดี๋ยวเราอาจจะไปทำทาทาไม่ดีกับเขาก็ได้แล้วมันจะทาให้เรื่องบานปลายขึ้นมา อย่างน้อยเราก็จะคุมเรื่องไม่ให้มันบานปลายขึ้นมาถ้าเราไม่ไปตอบโต้เขาถ้าเราทำความดีเชื่อว่ามันก็จะทําให้เขามาทําทําร้ายเราเบาลงไปน้อยลงไปเพราะว่าเขายังอาจจะเลิกความคิดไม่ดีของเขาได้แบบทันทีทันใดไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาไปทำความดีไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหายโกรธหายเกลียดเราเองแต่ไม่หายก็ช่วยไม่ได้อย่าไปกังวล แล่เราจะมีความสุขใจสบายใจไม่เดือดร้อน<ม>กับการกระทาของเขาถ้าเราไม่ไปหวังผลจากเขาคำถามต่อไปจากดรสุมนาบางคนบอกว่าทำบุญต้องบอกบุญคนอื่นด้วยจะได้มีบริวารแต่บางคนบอกว่าควรปิดทองหลังพระอย่าไปบอกบุญรบกวนคนอื่นจะเป็นบาป ขอพระอาจารย์อธิบายว่าแบบไหนถึงจะถูกต้องได้บุญกุศลมากกว่ากันก็แล้วแต่บางคนนี่เป็นคนที่ชอบทำอะไรตามลำพังไม่ชอบยุ่งกับใครเขาก็จะทำบุญแบบปิดทองหลังพระไปบางคนชอบมีเพื่อนอยากให้เพื่อนร่วมทำบุญก็บอกบุญไปบางคนเป็นคนสังคมรู้จักคนเยอะทำอะไรคนอื่นก็อยากจะร่วมทำด้วย ถ้ารู้ว่ามีคนอยากจะร่วมทำด้วยถ้าเราไม่บอกเขาเขาก็จะไม่ไม่ได้มีโอกาสร่วมเราก็ต้องบอกเขาไปแต่บอกแบบอย่าไปหวังอะไรบอกแล้วก็แล้วกันไปเขาจะมาร่วมก็ร่วมไม่ร่วมก็ไม่เป็นไรเราบอกเพื่อเปิดโอกาสเพราะบางทีเขาไม่สะดวกที่จะทำด้วยตัวเขาเองพอเห็นเราทำก็เลยขอตามไปด้วยหรือขอฝากเงินไปทำด้วยเขาก็จะได้ทาบุญ อย่าไปบอกบุญเพื่ออยากจะได้เงินเยอะๆมาทำบุญอันนี้มันจะกลายเป็นกิเลสไปเราอย่าไปดูจนวนเงินจานวนเงินก็ดูของเราว่าเราทำได้เท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นแ่ะไปเอาเงินของคนอื่นมาเพิ่มอีกกี่เท่ามันก็ไม่ได้บุญเพราะมันไม่ได้เป็นเงินของเราอ่าเป็นแต่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นกับเพื่อนฝูงที่เขาอาจจะต้องอาศัยคนบอกบุญ<ม>เขาถึงจะทาบุญ ก็ต้องดูกาลเทศะดูเหตุการณ์ดูสถานภาพของเราว่าเราจะสะดวกทำแบบไหนบางทีสะดวกทำคนเดียวขี้เกียจมารอบอกก็ทำไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปบอกใครแต่ถ้าเห็นว่าอยากจะให้เพื่อนฝูงได้มีโอกาสได้ร่วมบุญด้วยก็บอกเขาไปก็ได้ถ้าเรารอได้รอบอกเขาก่อนได้ก็บอกไปก็อยู่ที่ว่าเรามีเพื่อนมากเพื่อนน้อยบางคนไม่มีเพื่อนก็ไม่ต้องไป แต่อย่าไปบอกบุญแบบเพื่อที่จะไปบังคับเขาไ ป, ไปเรียกร้องเขาเพื่อใหเ้เพื่อเราจะได้ยอดเงินสูงๆในการทำบุญอย่างนี้ไม่ควรทาถ้าอะไรถ้าทำอย่างนี้เราทำไปตามกำลังของเราเพราะเราก็ได้เท่านั้นเราบริจาคเท่าไหร่เงินของเราเราก็ได้เท่านั้นเราเอาเงินของคนมาต่อยอดมันก็ไม่ได้เป็นบุญของเรามันก็เป็นบุญของคนอื่นไป คำถามต่อไปจากคุณรุ่งเรืองค่ะสัจจะอธิฐานบา ร, รมีสําคัญแค่ไหนคะเพราะอธิฐานไว้แล้วยังไม่ได้ทำค่ะกลับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะคำว่าอธิฐานแปลว่าความตั้งใจเวลาเราจะทำอะไรเราต้องคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะทำก่อนพอคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะทำก็เรียกว่าตั้งใจเช่นวันนี้เราอยากจะมาวัดเราก็ตั้งใจจะมาวัด ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจถึงเวลาเราก็อาจจะไม่ได้มาเพราะอาจจะไม่รู้จะไปไหนตื่นขึ้นมาว่าวันนี้ไปไหนดีไม่รู้ไปไหนก็อยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวเพื่อนโทรมาชวนไปก็อาจจะไปกับเพื่อนนแต่ถ้าเราตั้งใจไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเดี๋ยววันนี้ตื่นขึ้นมาจะไปวัดเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเราก็มีเป้าหมายที่จะไป่การอธิษฐานก็แปลว่าความตั้งใจ เป็นสิ่งสําคัญต่อการที่เราจะทําอะไรต่างๆได้สําเร็จต้องมีความตั้งใจก่อนตั้งเป้าหมายของการกระทําก่อนตั้งแล้วไม่ทําก็ไม่ดีก็ใช้ไม่ได้ตั้งแล้วต้องมีสัจจะคือมีความจริงใจต่อความตั้งใจถ้าเราไม่มีความจริงใจตั้งไปเดี๋ยวบางทีถึงเวลาจะไปถึงจะทําก็ขี้เกียจขึ้นมาหรือไม่ว่างมีกิจอย่างอื่นก็อาจจะไม่ไปทําตามที่เราตั้งใจไว้แต่ถ้าเรามีสัจจะ พอตั้งใจแล้วก็ต้องทำทำตามที่เราตั้งใจไว้ไม่ว่าจะมีอะไรมาเหตุการณ์มาเกิดขึ้นมีใครมาชวนไปที่ไหนก็ต้องก็ต้องขอขออภัยเขาไปว่าไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้ได้ตั้งใจจะไปวัดแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นสัจจาอธิษฐานนี้เป็นของคู่กันที่สำคัญถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเราต้องมีสัจจะนอกจากสัจจะแล้วเราต้องมีวิทยะความภาคเพียรพอมีสัจจะแล้ว แต่ขี้เกียจไปก็ไปแบบไปก็ได้ไม่ไปไปถ้ามีกำลังก็ไปไม่มีกำลังก็อาจจะไปไม่ถึงแต่ถ้ามีความเพียรก็ต้องพยายามไปให้ได้ฝนตกน้ำท่วมมีอุปสรรคอะไรก็ต้องพยายามฟันฝ่ามันไปให้ได้ก็ต้องมีขันติอีกตัวความอดทนถ้ามีอดิฐานมีสัจจะมีวิริยะความภาคเพียรมีขันติแล้วก็เราก็จะสามารถทา ททใในสิ่ง่งงีเรราาตั้้จจะะกํไดคํำถามต่อไปจากคุณสุสันติครูบาอาจารย์บอกแบ่งบุญให้เราจะรับบุญอย่างไรถึงจะได้บุญค่ะสาธุเจ้าค่ะออบุญของครูบาอาจารย์ก็คือธรรมะไงท่านสอนเราว่าให้ทําบุญทําทานให้รักษาศีลภาวนาถ้าเราอยากจะรับบุญนี้เราก็ต้องปฏิบัติตาม ครูบาอาจารย์บอกให้ทําบุญแล้วก็ไปทําบุญนั่นบอกให้รักษาศีลก็รักษาศีลบอกให้ภาวนาแล้วก็ภาวนาพอเราปฏิบัติตามที่ท่านสอนเราก็จะได้รับบุญของท่านมาคําถามต่อไปจากคุณเบนต์นมันสการครับพระอาจารย์เวลาปฏิบัติแรกๆจิตจะฟุ้งซ่านมากจะทําอย่างไรถึงจะดึงกลับมาได้ครับหรือต้องตามดูรู้เท่านั้น มันตื อ, อต้องทําอย่างไรครับอ๋อตามดูไม่ได้ต้องหยุดด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุทโธพยายามฝึกบริกรรมพุทโธสวดมนต์ไปภายในใจอยู่เรื่อยๆทั้งวันให้มีอะไรคอยควบคุมใจแล้วมันจะหยุดความคิดฟุ้งซ่านต่างๆได้ถ้าเราไม่มีพุทโธไม่มีอะไรใจมันก็จะฟุ้งไปทั้งวันทั้งคืนคําถามต่อไปจากคุณติ๊กธัญพร บริกรรมพุโทโธกําหนดไว้ที่กลางอกแล้วมันก็จะมีอาการซาซาแน่นๆตึงๆนิดหน่อยอยู่ที่กลางอกค่ะบางครั้งหายใจได้แค่ตื้นตื้นไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรดีค่ะหรือว่าให้อดทนทําต่อไปให้ถึงที่สุดกราบขอบคุณกราบขอบพระคุณค่ะเวลาบริกรรมพุโทโธก็ให้อยู่กับคําบริกรรมอย่าไปสนใจอย่างอื่น อะไรจะเกิดขึ้นมาปรากฏให้เรารับรู้ก็อย่าไปสนใจมันพุทโธพุทโธไปแค่เราพุทโธพุทโธไปมีเสียงลมงนี้ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับเสียงลมพุทโธพุทโธของเราไปอย่างเดียวมีความรู้สึกทางร่างกายอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจพุทโธไปเรื่อยๆพอเดี๋ยวจิตสงบแล้วอาการต่างๆมันก็จะหายไปเองจากคุณชีวิตกล้วยๆถามว่าพอเข้ามาปฏิบัติ เริ่มไม่ค่อยอยากทางานหาเงินไม่อยากได้อยากมีเหมือนก่อนเฉยๆกับเสื้อผ้าความสวยงามที่ใช้อวดกันแต่พอไปเห็นคนอวดรวยใจเรามีความอิจฉาลอยมาแล้วดับไปแบบนี้ถือว่ามีความก้าวหน้าบ้างหรือไม่เจ้าคะก็มีบ้างแต่ยังยังไม่หมดยังยังมีความอิจฉาอยู่ แม้ตนเองไม่มีเห็นคนอื่นมีก็ยังอิจฉาก็อยู่ก็แสดงว่าเราก็ยังอยากจะมีเหมือนเขาอยู่นะนั้นก็ต้องทำต่อไปปฏิบัติให้มากขึ้นจากคุณรับจดจำนองที่ดินขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอกราบนามัสการพระอาจารย์ผมสงสัยนานแล้วขออนุญาตถามครับสำหรับพาที่อ้างว่าตัวเองทำถูก ทำตามพระวินัยคนอื่นทําผิดไม่ถูกต้องตัวเองทําตามคําสอนคนอื่นนอกคําสอนพระพุทธทะลุก็ไม่ว่าให้ไหวแล้วผมจะเชื่อฝ่ายไหนองค์ไหนครับที่ผมจะได้รับการอบรมจากครูอาจารย์ธรรมะตัวเดียวกันรักษากายวาจาใจถูกไหมครับทานศีลภาวนาถูกไหมครับสาธุสาธุครับอก็ ก็ต้องศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงก่อนท่านสอนให้ปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไปถ้าไม่ได้ศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไปศึกษากับผู้อื่นก็จะทําให้เราสับสนได้อย่งนั้นเราต้องไปศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือจากผู้ที่รู้จริงที่เราเชื่อว่าเขารู้จริงมีคําถามอะไรก็ไปถามเขาคำท้าคำสอนหลักของพุทธเจ้าก็ถูกแล้วเนี่ยให้ทําทานให้รักษาศีลให้ภาวนา จากคุณนกกราบนามัสการค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ขณะนั่งสมาธินั่งไปสักพักรู้สึกเหมือนหลับในแต่ไม่ได้งกนะคะแล้วบอกตัวเองว่าสติเราไม่ทันจิตสินะเป็นแบบนี้อยู่สองสามครั้งแต่ไม่ได้ออกจากสมาธิหลังจากออกจากสมาธิกราบไม่รู้สึกง่วงเลย ไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คะหากไม่ถูกต้องควรแก้ไขอย่างไรคะก็สติคงจะอ่อนไปเวลาที่สติมันอ่อนกำลังลงมันก็หลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่าหลับอย่างั้นก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นหรือว่าถ้าเรากินมากเกินไปก็อาจจะทำให้เราหลับง่ายได้ก็ต้องอย่า ก, กินอาหารมากถ้าเราอยากจะภาวนา ผู้ที่ภาวนาเนี่ยเขามักจะถือศีลแปดกันไม่กินอาหารเย็นกันเดยกินน้อยๆกินมื้อเดียวรือถ้าบางท่านปฏิบัติไปมากๆแม้แต่กินมื้อเดียวก็ยังง่วงท่านก็อดอาหารกันเือถ้าไม่อดอาหารท่านก็ไปหาที่น่ากลัวอยู่กันไปนั่งในป่าช้าแก้ความง่วงกันถามคนที่ถามคนที่อ่านคำถามดูเนี่ยไปนั่งสมาธิกับ กับกับลงศพดูเป็นไงง่วงไหมไม่ง่วงอะ่ะออาอา้อา icon หนึ่งคำถามจากคุณดวงถ้าชาตินี้ไม่ต้องการบุญเบิกให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะไปขอใช้กรรมก่อนได้หรือเปล่าครับก็ไม่ทําบุญก็ไม่ได้บุญอาจจะไปใช้กรรมก็ใช้ไปเอด้ถ้าไม่ทําบุญก็ไม่ได้บุญกรรมนี้หนีไม่พ้น ถ้าทำอะไรมาแล้วก็ต้องรับผลของกรรมที่เราทำนี่มันก็จะเสียชาติเกิดเพราะว่าเป็นชาติที่เราสามารถทำบุญได้สามารถที่ทำให้เราหลุดพ้นจากกรรมต่างๆได้ถ้าเราไม่ทำจะรอรับผลกรรมอย่างเดียวก็ก็แล้วไปเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจนาะไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน